ไ้กินข้าวเห็นตันหาไหมใครได้ดูบ้างหรไม่ได้ดูเลยใครดูบ้างยกมือมีไหมมีแค่นี้ยงเหรอสอนตั้งหลายร้อยคนทไมยกมือสักร้อยเดียวไม่ถึงหลวงพ่อภาวนานะไม่เคยให้ครูบาอาจารย์สั่งครั้งที่สอง ครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ลุยเลยไม่มีผลัดวันประกันพุ่งอะไรเงี้ไม่มีนลอย่างเียท่านพอลีท่า น, นให้ทำอนาปนาสติทำทุกวันไม่เลิกนะทำแบบไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรขึ้นมาเขาอุตสาห์ทำนะแต่เด็กๆทำแล้วจิตออกนอกดูสวรรค์ดูอะไรตอนน่ออะไร ไปเที่ยวข้างนอกตนะ่กามาสติปัญญามันทันมันรู้ว่าไม่ใช่สาระแต่เขาไม่รู้ว่าจะภาวนาแล้วมันจะได้ผลตอนไหนมเจอลงปู ด, ดุลท่านให้ดูจิตดูไม่เลิกดูไปเรื่อยๆเห็นจิตมันทำงานพิลึกพิลึกเยอะแยะ ถ้าพอเราขยันดูอย่างที่หลวงพ่อขยันนะมันก็ได้ผลเหมือนกันแหละพวกเราไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ว่าอึดทนเนาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเรียนแล้วเรียนอีกอย่างนั้นนะสู้ไม่ถอยนะเคยท้อไหมก็เคยเหมือนกันนะแต่ท้อไม่นานนะ พอท้อความท้อเกิดขึ้นมันเห็นความท้อนะมันสนุกขึ้นไปอีกละดูความท้อก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งนะบางทีก็เบื่อนะก็มีความเบื่อความเบื่อเกิดก็ดูความเบื่อนะก็สนุกดีไม่ยอมเลิกปฏิบัติแค่นั้นแหละขี้เกียจบางทีก็ขี้เกียจ ขี้เกีก็ดูขี้เกียจ ท, ที่ก็สงสัยยังไงดีนะยังไงดีนะสงสัยสงสัยดูสงสัยเห็ในให้หลักเลยนะว่าดูปัจจุบันรู้ปัจจุบันไปไม่พลาดหรอกใครยังภาวนาแล้วจิตยังชอบไปดูข้างนอกบ้างมีไหม ไปดูอะไรอ่ะย่างนั้นฟุ้งซ่านแล้วดูสเป ส, สปะดูตามยาสากำให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านพูดโตเร็วๆไว้นึกว่าอยากดูอะไรแล้วก็ส่งจิตไปดูทีด้วยเหตุผลนะเราไม่อยากดูนะแต่จิตมันอยากดูก็มีนะน่ากลัวมากเลยพ่อเคย ี่ทำงานศพศพเตียก็ตายไปห้าสิบวันนะาว่าเอาศพออกมาจะทำบุญหลังคากดังเก็บศพมันด้วยน้ำมันหยดลงไปตลอดฤดูฝนนะลงทะลุนะฝาลงทะลุน้ำเข้าไปขังอยู่ในโลง ซาเปเลยยกโลงมาได้ยินเสียงจ้องแจงจ้องแจงเสน้ามันกระชอบแล้วเขาก็เจาะพื้นใต้โล่ะให้น้าออกไปเขาบอกอย่าดูนะน่ากลัวมากเราก็ไม่คิดจะดูหรอกแต่ใจมันได้ยินคำ ว, ว่าน่ากลัวมากเราไม่ดูแต่ใจมันสนใจกลับมาบ้านไม่ได้ดูศพนะกลับมาบ้านนะ พอเห็นตัวลงนอนนะหัวถึงมอญปุ๊บนะจิตมันเคลื่อนออกไปเลยจะวิ่งไปดูเราก็ตกใจเรารู้มันจะไปดูศพเรากลัวผีนะรีบหายใจแรงๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวกลับมาเหนื่อยมากเลยใช้แรงเยอะนะกว่ามันจะกลับมาพอกลับมาเรารู้สึกอค่อยังชั่วกลับมาลนะ พอสบายใจปุ๊บมนะันพุ่งครั้งที่สองนะแรงกว่าเก่าไปเบรดได้ที่หน้ากดังเก็บศพเห็นลูกกุญแจและนะครั้งที่สามนี่ เ, นเบรกไม่อยู่แล้วลุยเข้าไ ป, าไปดูโรงศพแต่ละโรงแต่ละโรงนะคนนี้ครูนี่วะไม่ใช่คนนี้ไรๆนะเจอศพของเตีย๋ยจิตมันลงไปนอนทาบเลยนะ เคยได้ยินผีสิงคนไหมนี่คนสิงผีสิงอย่างนี้เลมน้นเหม้นนะเหม็นจนคอเนี้ยขมเลยพอมันได้ดูศพมันพิจารณาร่างกายพอใจแล้วเข้าใจแล้วว่าคนตายแล้วมันเป็นอย่างนี้นะใจมันก็กลับบ้านเล่านีโมโหเลยมงตึกไปดูทำไมวะ กลับมาที่บ้านนั้นนะกลิ่นยังติดจมูกเลยนะคอยังขมอยู่เลยนะความรู้สึกของจิตนะมันพิสดารจริงๆจะว่าเป็นนิมิตมันก็คือนิมิตะไรนแะไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วไม่ใช่เรื่องเก่งเป็นเรื่องแม่เอาไหนนะจิตนี้ออกไปเที่ยวดูแลควบคุมจิตไม่ได้ใช้ไม่ไดนะ้ไม่ใช่เล่าบอกว่าหลวงพ่อเก่งนะ แล้วว่าไม่ได้เรื่องอย่าเอาอย่างไม่าะยพยายามไปดูโน่นดูนี้แล้วดูแล้วเดี๋ยวมันไปดูไอ้ที่เราไม่อยากดูที่เราอยากดูมันไม่ค่อยไปดูหรอกใครจะส่งอันบ้านรัธ ก, การครับเวลาดูจิตนะครับหลวงพ่อ ถ้าวันไหนสมาธิ ด, ดีๆเราควรที่จะตามดูจิตไปดูขันของจิตไหมครับอะไรน ะ, ะเวลาเห็นจิตนะครับควรตามเข้าไปดูขันของจิตไหมครับหรือว่าแค่แค่แค่รู้เฉยเป็นยังไงขันของจิตจิตเท่าเป็นตัวขันนั่นแหละครับก็ ค, บคือดูขั้นตอนการทํางานของมันอ๋อดูเท่าที่เห็นดูเท่าที่เห็นเชื่ออย่างคนควานาคนคว า, นาเราฝุับแล้วพอระหว่างรู้จิตมันจะมีตัวพอจิตพึ่งดับไปมันจะมีเอง จิตมันจะเย็นขึ้นมาหน่อยนั่นคือสมาธิใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าผมปัญญานำผมก็ไปทำสมะถะก็พอนั่งภาวนาไปก็ดูตัวฟุง้งมันฟุ้งขึ้นมาจริงๆพอฟุง้งพอเอาฟุ้งมาเป็นภาวนาปุ๊บมันก็หายทีนี้เวทนาเกิดมันก็คือปวดขาครับผมก็ดูปวดขาไป ใจมันไม่ยอมก็คือมันอยากจะเหยียดแข้งเหยียดขาอ๋อพอเห็นตัวอยากปุ๊บ ก, ก็เลยรู้ว่าก็เพราะว่ามันมีขา ม, มันก็เลยต้องปวดพอรู้ว่าปวดเราอยากคลายพอรู้ตรงนี้ปุ๊บใจมันก็สงบขึ้นมาอมพอสงบขึ้นมาปุ๊บมันก็เห็นวิชนาเกิดก็ดตัวสุขขึ้นมาอีกสุขมันก็ของชั่วคราวครับ พอเข้าใจตรงนี้มันก็ดับไปอีกพอตัวนี้พอพอจิตมันว่างมันดำมันก็ไปหยิบขันขึ้นมาก็มานั่งดูว่าขันตัวทั้งสี่ตัวผมเห็นว่าขันสี่ตัวมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเกิดว่าไอ้สี่ตัวเนี้ยมันมันมันมันมันเป็นปลายขาวไอ้ตัวสุดท้ายมันก็จะขาวตามถ้าเกิดไอ้ตัวถ้าเราระถ้าก็คือเราวางขันไอ้สี่ตัวเนี้ย แต่เดี๋ยวมันก็หยิบขึ้นมาใหม่แล้วหลวงพ่อก็พอวางตัวนี้ปุ๊บไอ้ตัวใบสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นใบาสายอันนั้นคือจิตหนึ่งใช่ไหมครับหือไม่ใช่ไม่ใช่เจิตหนึ่งจิตหนึ่งเกิดตันมรรลุพระอรหัานต์นะบรรลุมรรคผลนี่จริงก็คือก็คือเราก็ควรวางวางไอ้ตัวนี้พะลุวุฒเป็นทุนทุกข์็อย่าวาง หน้าที่วางเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะวางเองรเราไม่ได้ทําอะไรเราจะรู้เฉยๆรูยเฉยตามรู้ไปเรื่อยๆที่หลวงพ่อบอกปัญญามันล้ำํำไม่ได้คิดจะวางจะทํายังไงจะทํายังไงมันชอบไปคว้ามาเรื่อยหลวงพ่อ พ, อ, พ, อ, พอมันเป็นสมาธิมันก็ไปคว้ามาอีกอย่างนี้ครับรูบ้ทันไวใจฟุ้งซ่านดูเข้าไปเลยว่าฟุ้งซ่านก็ ค, คือพอเรารู้รู้ไปแล้วก็เอาตรงนี้มาเป็นกรรมฐานแล้วเราก็ทํา รรมไม่ใช่สิเราก็ตามดูไปจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่าน <Okay. S 2> มันมีแรงดิ้นใช่ไหมจะ ด, ดิ้นไปกว้าอารมณ์มืพิจารณารู้ทันว่ามันมีแรงดิ้นนั้นมันก็ดับดับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเกิดแล้วค่อยรูวเอาไม่ต้องไปค้นคว้าอะไร <Okay. S 2> ให้ดับแล้วจะไปดูอะไรต่อรู้ว่าสงสัยค <Okay. S 2> รับดูปัจจุบันไปอัดขอคําแนะนําก็ตาม ที่หลวงพ่อบอกทำเท่านี้นนพอระวังเรื่องปัญญามันล้ํอาอ้กวใครอีกมามาเา ข, ขาเรียนธรร ม, มาก<อ>หลายปีแล้วเขาบอกก็ดีแค่อยู่ในชิวประจำจะเมืองเจริญสติอยู่ในชิวประจำวันไม่ได้ทํารูปแบบเขาอยากจะขอ คำแนะนำจากหลวงพ่อก็ไปทำรูปแบบบ้างเจริญสติในชีวิตปรจำวันมา น, นานนะจิตมันหมดแรงมันไม่มีแรงแรงไม่พอใจมันจะฟุ้งเหมือนแบ่งเวลาไปทำในรูปแบบนะใช่จะได้มีแรงเขาบอกว่าเขาฝึก เรียนธรรมะมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาฝึกมากขึ้นแล้วก็เขาเห็นเวลาที่เขาเพ่งไปหรือเขาหลงไปนะคะอยากจะสอบถามหลวงพ่อว่าขอคำแนะนำว่าจะพัฒนาอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมคะที่ทำมามันก็ดีขึ้นนะแต่เดิมเพ่งแรงแต่นี้ไม่ค่อยเพ่งเราก็ดูสภาวะไปเรื่อยเรยเราจะเห็นสภาวะปรุงแต่งที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น อย่างขณะนี้จิตไม่ถึงฐานจริงนะจิตมันกว้างๆสบายอยู่ข้างนอกลองหายใจซิอย่าดึงจิตคืนนะลองหายใจเฉยๆไม่แทรกแซงจิตแต่หายใจเฉยๆทำไปเลยทำไปหายใจไปเดีอยตรงนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกัน นะตอนก่อนที่จคุยกับหลวงพ่อเนี่ยจิตมันกว้างๆว้างออกไปนะอะ น, นั้นจิตมันไม่เข้าบ้านมันไม่เข้ามาในฐานไม่อยู่กับตัวเองตอนนี้จิตมันมาอยู่ที่ตัวเองแล้วระวังอย่าไปเพ่งเท่านั้นแหลนะมันมาอยู่ที่ตัวเองแล้วมันหนีออกไปเรารู้พอรู้มันก็กลับมาที่ตัวเองโดยที่เราไม่ได้เจตนามาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไหลออกไปอีกรู้อีกนะไม่ปรอคองเอาไว้ ไหลเล้ารู้ไหลแล้วรู้เรื่อยๆปัญญาถึงจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงนะจิตที่หลงไปก็ไม่เที่ยงนะจิตทุกชนิดไม่เที่ยงแต่ดีขึ้นเยอะแล้วนะนนี้ดีขึ้นอย่าฟุ้งซ่านนะ คืนจิตเราฟุง้งจิงส่งงานบ้านหลวงพ่อนะไม่ต้องพูดก็ได้หลวงพ่อพูดแทนเราดูโงเ่เฮ้งเก่งอกลับมาสักการะพ่ะหลวงพ่อมีปัญหาเรียนถามหลวงพ่อสามข้อค่ะเขยต้องฟุ้งมากเลยต้องมีทั้งสามข้อ ขั้นแรกจิตไม่มีแรงอะคะอ่ะเพราะว่าตอนทาสมาะหรือตอนไหไรก็ฟุ้งตลอดเลยนั่นแหละปัญหาเราคืฟุ้งถ้าฟุ้งนะก็พุโทโธเร็วๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างบริกรรมเร็วๆ ข้อสองคือในอดีตคือเวลาที่รู้ตัวว่าหลงจะดึงจิตกลับมามค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกตัวว่าดีขึ้นไม่แน่ใจถู ก, ถกต้องดีขึ้นค่ะข้อสเวลาถ้าบางครั้งที่นั่งทำสมาธิแล้วสมาธิดีๆบางทีไม่เห็นตัวคือเหลือแต่เหลือแต่หายใจเฉยๆอันนี้ดีไหมคะก็ดีมันมีแล้วใครหายใจ เหมือนเหมือนเหมือนจิตดูดูก็เห็นก็แต่ว่ายังเห็นตัวก็ยังเหลืออยู่ค่ะไม่งั้นมันไม่หายใจหรอกโอเคค่ะย่าฟุ้งซ่านมากนะพื้นเลยของเราคือฟุ้งซ่านศัตรูบอรหนึ่งเลยนะเะน้นแทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งซ่านแล้วทำนู่นทำนี่ก็ทั่งปฏิบัติยังฟุ้งเลยเอ๊ะทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกอะไรเงี้ย แทนที่จะปลอยให้มันพุ่งให้มันมาอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรไปถ้าพุโทโธช้าๆเอาไม่อยู่มีช่องว่างหนีไปอีกพุโทโธให้เร็วขึ้นแล้วก็อย่าไปบังคับจิตนะ่ใช่พุโทโธพุทโธแล้วทําจิตเครียดๆอย่างนี้ผิดแน่นอนเห็นไห ม, อมบอกแล้วว่าหลวงพ่อต่อยกันบ้านไม่ต้องคุยก็ได้เห็นหน้าเราดูโง่เฮงออกพุ่งซ่าน กราบหลวงพ่อนะคะคือมันดิ้นรนน้อยลงแล้วอะค่ะแล้วก็ทําให้มันคลายพอมันคลายมันก็รู้รู้สบายขึ้นแล้วก็เลยทําให้เหมือนมันเรียนรู้ตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไปเห็นคล้ายๆมันเห็น วิถีที่หลวงพ่อบอกวันนั้นมันไม่เข้าใจมันมันมันเริ่มเห็นวิถีว่ามันมันลอกตัวเองออกง่าแล้วก็มันจำเป็นต้องใช้ตัวเราทำอะไรบางอย่างเพื่อเรียนรู้อยู่ค่ะแล้วก็สิ่งที่ฝึกอยู่ค่ะแล้วจะมาถามหลวงพ่อก็คือว่าตอนนี้มันเริ่มรู้สึกใส่ใจ ตัวปกติเมื่อก่อนเนี่ยมันมันเห็นว่ามันชอบใส่ใจความหวือหวาของของตัวที่เข้ามาแล้วเรียนรู้เพื่อที่หวังว่าเออมันจะวางได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันเหมือนมันใส่ใจตัวที่ปกติแล้วมันก็มันก็รู้สึกรู้สึกว่าเนี่ยมันจะหมันดูไปตัวปกติตัวเนี้ยค่ะดูไปเลยนะมีตัวปกติก็ดูมันไม่ปกติขึ้นมาก็ดู นะดูอย่างที่มันเป็นจิตใจก็ค่อยๆเชื่อมขึ้นเรื่อยๆเคยเห็นลูกตุ้มนาฬิกาไหมสมัยโบราณแขวงเงี้ย<ช>พอหลานมันหมดนะมันก็จะแกว่งช้าลง ช, ช้าลงรู้สึกไหมใช่ค่ะเอานั่นแหละแล้วมันหยุดกออยู่ขอมันเองค่ะไม่ต้องไปทําให้มันหยุดทีนี้ที่ที่สงสัยนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าคิดคิดว่าคิดถูกก็คือว่าตอนที่มันรู้ปกติแล้วมันอยู่เฉยๆอะค่ะ มันคือสมถะของหนูแหละใช่ไหมคะมันคือมันคือที่มันสบายอยู่มันไม่ได้อะไรพอพอมันมีอะไรเข้ากระทบเนี้ยเรามีสติรู้ตรงตรงนั้นมันจะเริ่มเดินปัญญาทุกอย่าใช่<า>ถูกแล้วต่ที่รู้อยู่เฉยๆเป็นสมถะนะแล้วพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจิตเริ่มทํางานอะไรเงี้ยแล้เดินปัญญาแล้วใส่ใจรู้ตรงนี้แล้วก็จะมาถวายการปฏิบัติให้พระอาจาแล้วก็หลวพ่อด้วยอนุโมทนานะ นี่นักปฏิบัติจริงๆนะม่ต้องคุยเอามันได้เรื่องได้สาระไปทำมาแล้วมันเห็นอย่างเงี้ยนี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอ่ะกับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะหนูปฏิบัติ อโดยวิธีการเดินจงกรมแล้วก็รู้สึกตัวค่ะอคือตอนนี้ก็ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเวลาเราเดินเราสงบเราจะรู้สึกเสียแทงกลางอกอ่ะแล้วก็เหมือนเราสงบฮะแล้วก็ความรู้สึกเราเหมือนเดินปัญญาเดินจงกรมไปเราสงบแล้วเราก็เดินปัญญาด้วยหนูเข้าใจถูกไหมคะหลวงพ่อเดินยังไงอะคือคือมันสงบมันเหมือนเราเห็นทุกข์แล้วเราก็ เรามีความสุขในที่เราเห็นความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะอย่างขณะนี้ยจิตถูกอารมณ์ครอบแล้วรู้สึกไหมถูกปีติครอบค่ะมีปีติครอบแล้วเราอยากจะร้องไห้อะไรเงี้ยใช่ค่ะเขรู้ทันมันค่ะทุกอย่างมาแล้วไปดูอย่างนี้เลยนะทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปแล้วหนูต้องทำํำยัง ไ, งไงฝึกกาหนดหนระือว่า คือฝึกจะมาจะเดินจงกรมตลอดหะคะหลวงพ่อเดินสบายๆเนาะค่ะไม่ไม่กำหนดไม่บังคับอะไระเดินปกติก็จะเดินบางวันก็เดินเดินเป็นชั่วโมงะะมค่ ะ, <ป>อะพอแม่ผูอาชญา์ครับผมปฏิบัติมาครบหนึ่งปีนะครับตามแนวทางครับและระหว่างวันครับก็จะ ฝึกดูลมหายใจแล้วก็ร่างกายทำงานครับ่อฝึกดีแล้วล่ะฝึกถูกล้วแต่ว่าพอเผลอๆมันจะไปประคองจิตให้นิ่งนะมันยังทำอยู่อย่าไปประคองอย่าไปรักษาปล่อยให้มันเคลื่อนไหวให้เป็นปกติปกติที่สุดดีที่สุดอย่างตอนนี้บังคับจิตอยู่รู้ไหมรู้ครับเออถ้ารู้ก็ไม่เป็นไรจิตฟุ้งซ่านเรารู้ไหม ดูออกป่ะดูครับเออดูออกก็ถูกแล้วการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วถูกนะเห็นแล้วรู้ว่าเห็นน่ะเห็นนั้นถึงจะถูกอย่างจิตเราฟุ้งซ่านหรือจิตเราสงบเพื่อตามถ้าจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้ใช้ได้นะไม่จําเป็นว่าต้องทําให้สงบถ้าจิตสงบเพื่อรู้ว่าสงบนะจะสงบถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันไม่รักษา ไม่เหมือนสมถานะต้องคอยประครับประคองแก้ไขให้ดีนานๆแต่การเจริญปัญญานี่ปล่อยให้มันทำงานไปแล้วก็ไปเพิ่มตัวนี้ขึ้นสมาธิทำสมถาบ้างนะครับไม่งัในใจมันจะฟุ้งๆแรงไม่พอครับใช้สมถาใช้อะไรพุโทโธครับทำสิวางไม้ลงอย่าบังคับจิตนะอย่าเริ่ต้นด้วยการบังคับจิต ใช้จิตปกติเลยใช้จิตเหมือนตอนก่อนจะพุโทโธแล้วก็พุโทโธไปนี่มันหนีไปคิดแล้วนะอย่าไปจมลงไปในพุโทโธรู้สึกตัวพุโทโธไปรู้สึกตัวไป จิตมันสายไปสายมาดูออกไหมนะพุโทโธเราก็รู้ทันจิตไปนะจิตสายไปสายมาก็รู้มันคือฟุง้งซ่านพุโทโธไปจิตสงบก็รู้พุโทโธแล้วจิตเป็นยังไงก็รูนะ้อย่างนี้เรียกว่าเราพุโทโธเป็นพุโทโธเรารู้ทันจิตไม่ใช่พุโทโธเราบังคับจิตให้นิ่งนะจิตมันนิ่งของมันเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเหมือนเนลูกตุ้มนาฬิกาที่หลวงพ่อพูดต่เีย ไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หยุดเองแหละแล้วถ้าคอยไปดูเมื่อไหร่จะหยุดอะไรเงี้ยไปกระทบมันเล่ยแ่มันก็ยังแขว่งไปเรื่อยๆจิตนี้มันกันจะให้มันหยุดนะอย่าไปยุ่งกับมันมันหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้เดี๋ยวมันก็สงบเองแล้วสงบพอสมควรมันก็ออกเคลื่อนไหวอีกต่อไปปัญญาจะเกิดนี่เห็นว่าจิตจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงะตัวเนี้ค่อยเป็นตัวปัญญา เพน้จะจะพุโทโธก็ให้พุโทโธด้วยจิตปกติพุโทโธเราก็รู้ทันจิตใจที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจำได้ยังเออไปทำนะทำมาได้ดีอยู่ เ, เชิญกลับบ้าน